ใจคำฉันมันชาเมื่อเธอยืนยันออกมาว่าต้องไปแม้ว่าฉันรักมากแคนภาพวันนั้นที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่อไปวันนี้อขอให้ฉันตัดใจเธอรู้ไหมว่ามันไม่ง่ายเลยที ฉันต้องยอมรับกับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอแต่ถึงแม้ยากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกลงทำว่าไม่เป็นไรบอก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 กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอและถึงแม่อยากรั้งเธอไว้ฉันก็คงพูดได้เพียงในใจเจ็บแค่ไหนฉันก็จะสืนแปลง่ทำว่าไม่เป็นไรบอกใจที่